หนึ 1> 1. สมถะทําเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนเวลาเราภาวนานเนี่ยถ้าสติมันทํางานอัตโนมัติสติอัตโนมัติห้ามมันไม่ได้แล้วทางเดียวที่จะพักนะคือทําสมถะทําสมถะจิตใจได้พักผ่อนพอสมควรพอเขาถอยออกมามันจะมารู้สภาวะด้วยความแช่มชื่นไม่ใช่รู้ด้วยความแห้งแล้งน่าเบื่อเหน็ดเหนืยสมถะก็จําเป็นนะไม่ทิ้งหรอกจําเป็นยกเว้นบางคนทําไม่เป็นจริงๆ ถ้าไม่มีสมถะนะก็ต้องทนลำบากเอาเรียกว่าปฏิบัติแบบแห้งแล้งต้องทนลำบากเอาช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้สร้างสมอบรมมาของเราทางด้านนั้นยุติธรรมนะธรรมะยุติธรรมไม่ได้ฝึกไว้มันก็ไม่มีจะใช้ถ้าฝึกเอาไว้มันก็มีใช้